วันนี้เป็นวันอังคารที่หกเมษายนพุทธศักราช2564เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันจั ก, กรีเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่มีวันหยุดมากถึง16วันด้วยกันถ้ารวมนับถึงวันพระและ วันเสาอาทิตย์ก็จะมีการแสดงธรรมถึงสิบหกครั้งด้วยกันในเดือนนี้ <c oughs> ยาติโมก็มีเวลาว่างกันมากจึงไม่ควรปล่อยให้เวลาว่างนี้ผ่านไปโดยไม่ได้มาสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจของตนเอง เพราะโอกาสที่จะได้สร้างประโยชน์อย่างเต็มที่นั้นานานๆานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเพราะการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับจิตใจได้อย่างเต็มที่คือให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ จำเป็นต้องมีสิ่งที่หายากสี่ประการด้วยกันถึงจะสามารถทำให้ <c oughs> การสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองถึงขั้นสูงสุดได้สิ่งที่หายากสี่ประการในทางพระพุทธศาสนานี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่ง สิ่งที่หายากมากคือการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้กว่าจะมาเกิดกันแล้วมาเผยแผ่ทำให้แก่สา์โลกนี้จะทิ้งช่วงระยะเวลากันเป็นหลายกับหลายกันเหมือนกันคำว่ากับว่ากันก็หลายหลายล้า น, านปี ถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้สักองค์แล้วนาเอาธรรมะอันประเสริฐมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกที่ได้ยินได้ฟังธรรมันประเสริฐจึงจะสามารถปฏิบัติตนให้ได้ถึงโลกุตตรธรรมหรือวิมุตติธรรมคือมรรคผล่ิ่านได้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุในโลกนี้แล้วก็มาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกทั้งหมดนี้จะไม่มีความสามารถในตนเองที่จะปฏิบัติตนให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่นะคือสิ่งที่ยากพวกเราโชคดีได้มาเกิด ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาถึงแม้จะไม่ได้มีได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบตัวแทนของพระพุทธเจ้าไว้ให้กับพวกเราทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันคือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า นังที่พระเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากาศาสดาเพราะธรรมวินัยที่าศาสดาได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปเรามีพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นผู้ที่จะทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้า ให้คำให้ความรู้ความฉลาดให้แก่พวกเราได้ yeah. Yeah. ออกองหนึ่งที่เป็นตัวแทนของ mm hmm. พระพุทธเจ้า mm hmm. ก็คือพระอริยสงสาวรทั้งหลาย <Yeah. S 2> ที่เราเรียกว่าพระสุปฏิปันโน <Yeah. S 2> พระปฏิบัติดีป ฏ, ปฏิบัติชอบที่พวกเราเรื่อมใสศรัท ธ, ธาเข้าหากัน mm hmm. เข้าหาพระสุปฏิปันโนคือพระปฏิบัติ ไม่ใช่พระปริยัติพระปริยัตินี้ศึกษาแต่ไม่ได้ปฏิบัติถ้าศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติจิตจะไม่สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องศึกษาแล้วปฏิบัติต้องมีทั้งสองส่วนส่วนพระปฏิบัตนินี้ท่านก็ศึกษาท่านศึกษาจาก ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ด้วยไม่ต้องศึกษาจากตำราไม่ต้องศึกษาแบบทางที่เขากำหนดไว้เป็นหลักสูตรต่างๆเช่น<ม>หลักสูตรนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกประเรียนหนึ่งประรสองถึงประเรนกอันนี้เป็นหลักสูตรทางปริยัติธรรมที่เขากำหนดกันขึ้นมา แต่ในทางปฏิบัติจริงๆนี้การศึกษาพราะธรรมคำสอนนี้ศึกษาแบบพ่อแม่สอนลูกๆพวกเรานี่มีครูบาอาจารย์คนแรกของพวกเราคือใครรู้ป่าครูบาอาจารย์คนแรกของพวกเราก็คือพ่อแม่เองพ่อแม่สอนให้เรากินให้เราเดิมสอนให้เราอาบน้ําอาบผ้าล้างหน้าแปรงฟัน สอนให้เราพูดภาษา<ม>นี่แหละคือพ่อแม่การเรียนรู้ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเรียนรู้ในห้องเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านจากหนังสือ<ม>การเรียนรู้ที่แท้จริงนี้<ม>เกิดจากการสั่งสอนว่าเก่าตักเตือนอบรมจากาครูบาอาจารย์ต่างๆ<ม><ม>นี่ทางสายปฏิบัติจึงมีปริยัติเพียงแต่ว่า ไม่ได้เป็นปริยัติแบบที่เราเห็นกันว่าจําเป็นที่จะต้องเป็นหลักสูตรต้องไปเรียนนักธรรมตรีก่อนแล้วก็ไปเรียนสอบให้ผ่านได้ไปประกาศแล้วก็ไปเรียนนักธรรมโทมนักธรรมเอก<ม>ทางสายปฏิบัติไม่มีบัตรไม่มีประกาศสนียบัตรมีแต่เทศ<ม><ม>แล้วถ้าใครทําผิดก็จะถูกว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีความผิดก็ถือว่าผ่านถ้าทำผิดก็จะถูกว่ากล่าวตักเตือนให้แก้ไขให้ทำให้ถูกนี่คือปริยัติในทางปฏิบัติไปอยู่กับครูบาอาจารย์นี้เวลาครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมแต่ละครั้งนี้ก็เรียกว่าท่านกำลังแสดงปริยัติธรรมกำลังให้ความรู้ ในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเวลาที่ท่านว่ากล่าวตักเตือน mm. เวลาที่เราทำอะไรผิดพลาด mm. ท่านก็จะว่ากล่าวตักเตือนอันนี้ก็เป็นป ร, ริยัติธรรม mm. โดยธรรมชาติ mm. ไม่ได้เป็นแบบเป็นรูปแบบที่ที่ทกันว่าจะเรียนธรรมะทีต้องมีเวลาต้องเข้าห้องเรียน mm. อันนี้ เป็นเรียนกันแบบสดสดร้อนรจอนเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็ถ้าต้องถ้าท่านพูดออกมาแต่ละคำนี่ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นธรรมะที่สอนที่คอยเตือนใจเราครูบาอาจารย์บางทีท่านเห็นเราทาอะไรเกะกะไม่เป็นประโยชน์กับตรงเองท่านก็จะเตือนทำไมไม่ไปเดินจงกรมทำไมไม่ไปนั่งสมาธิ อันนี้ก็ปริยัติแล้วสอนให้เดินจงกรมสอนให้นั่งสมาธิทำไมมาทำอะไรไร้สาระที่ไม่จำเป็นจะต้องทำอันนี้คือ <c oughs> ปริยัติที่แท้จริงการศึกษาที่แท้จริงนั้นทางสายปฏิบัตินี้ไม่มีห้องเรียนไม่มีตำรับตำรา คนที่บวชแล้วไปศึกษาในสายปฏิบัติจึงสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายกว่าเพราะไม่จบป .4 ก็ก็เรียนได้เรียนธรรมะได้ไม่ไม่อ่านหนังสือไม่ออก<ม>ก็ไม่เป็นอุปสรรคการเรียนรู้ทางธรรมเพราะการเรียนรู้ทางธรรมะมนี้ท่านสอนด้วยปากด้วยวาจา<ม><ม>คนฟังขอให้อย่าหูหนวกเท่านั้น แล้วหุนวก็ต้องเรียนภาษาของคนใบ้แล้วครูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นคนที่รู้ภาษาของคนใบ้าแม้แต่ฝรั่งต่างชาติที่มาศึกษาถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจภาษาก็ตามแต่ก็ครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ใช้ภาษาใบ้ใช้มือใช้อะไรเวลาทําอะไรไม่ถูกท่านก็ใช้มือห้าม เอาเขาเข า, เ, าเห็นปั๊บเขาก็รู้หรือแสดงกิริยาการให้รู้มีคนเคยถามหลวงปู่ชาวมว่าหลวงปู่ไม่ีมีมีชาวต่างชาติมาเรียนกับหลวงปู่มากแต่หลวงปู่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้หลวงปู่สอนยังไงก็สอนเหมือนกับตอนที่ครูสอนหมาเนะี่ยสอนหมากูก็ไม่รู้กภาษาหม า, หมาแล้วทําไมสอนมันได้ สอนให้มันเรียบร้อยเท่านั้นเองการปฏิบัตินี้ไม่ไม่ยุ่งยากมากอสอนให้มีกิริยาอาการกายวาจาใจที่สงบเท่านั้นเองาพแสดงกิริยาอาการวาจาอาการากายวาจาใจที่ไม่สงบท่านก็ห้ามเท่านั้นเองไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้ภาษากันเลยเพราะแม่สอนลูกสอนอยังไงลูกมันก็ไม่รู้ภาษามาออกมาจากท้องแม่ แต่แม่ก็สอนด้วยกิริยาก่อนแล้วก็หัดเริ่มสอนภาษาให้เขาได้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นอันนี้คือปริยัติธรรมกับปฏิบัติการที่เราจะได้ทำมันประเสริฐต้องได้จากการศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไปไม่แยกออกจากกันด้วย ไม่เหมือนสมัยนี้เขาแยกกันเป็นส่วนไปเลยเรียนให้จบก่อนแล้วเข้าไปปฏิบัตินูน่นสิบปีนูน่นกว่าจะได้ป ร, ริญญาเก้าพอได้ป ร, ริญญาเก้าแล้วกิเลสมันก็ใหญ่โตมโหหานทําให้ไปปฏิบัติไม่ไหวพรกิเลสมันจะหลอกให้หลงให้คิดว่ารู้แล้วเรียนจบแล้วความรู้ท่วมหัวแต่ไม่รู้ว่าเอาตัวไม่รอด เมือนกับพระโพธิลัตเนี่ยพระพุทธเจ้าเจอหน้าพระโพธิรัต ท, ที่ไรก็ว่าไบรลานเปล่าเธอเป็นไบลานเปล่าความรู้ที่เธอเรียนมานี่เป็นความรู้ที่ไม่มีประโยชน์เป็นความรู้ที่ศูญเปล่าเพราะไม่ได้ทําให้มรรคผลนิพพานปรากฏขึ้นมาในใจของเธ อ, อทุกครั้งเจอพระโพธิลัฐก็จะพูดอย่างนี้โพธิรัตนี่บวชมานานะบวชเป็นพระเถระแนะ้ แต่ไม่บรรลุธรรมเพราะไม่ไปปฏิบัติธรรมเรียนอย่างเดียวไม่นำเอาไปปฏิบัติเพราะคิดว่าความรู้ที่ได้ได้ศึกษานี้พอแล้วทำให้ตนเองบรรลุแล้วแต่ความจริงยังไม่บรรลุพระพุทธเจ้าพบครั้งอีกครั้งก็จะพูดแบบเดียวกันใบล้านเปล่าเธออยู่ไปก็อยู่แบบเปล่าเปล่ากินอยู่แบบเปล่ า, า, ปาปลเปล่าตายไปตายเปล่าเล่า ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการน่ำเรียนความรู้คาสั่งคำสอนของเราเพราะดูกิริยาการของเธอแล้วมันยังเหมือนดิงอยูอ่มันไม่สงบมันไม่นิ่งเมื่อพูดบ่อยๆเข้าพระโพธิราชก็เลยเกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าต้องถ้าจะต้องไปปฏิบัติเสียแล้วนะ ก็เลยมุ่งไปหาสำนักที่มีพระอาหารหันต์เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้สั่งผู้สอนก็ได้ไปพบสำนักหนึ่งที่มีพระอาหารหันต์ทั้งหมดเลยรวมทั้งสามเณรที่อยู่ในวัดนั้นก็เป็นพระอาหารหันต์ตอนต้นก็เข้าไปกราบหาเจ้าวาดหัวหน้าก่อนขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ แจ้วอาวาก็คงพูดในเชิงทดสอบจิตใจก็ปฏิเสธว่ากับผมนี้พรรษาน้อยกว่าท่านท่านเป็นพระผู้ใหญ่กว่าจะให้ผมเป็นผู้น้อยนี้ไปสอนท่านนี่ผมรู้สึกจะกระดากใจทำไม่ทาไม่ได้ลองไปถามพระรูปอื่นดูเผื่อท่านอยากจะสอนท่านก็ได้ท่านก็บากบั่น ไปถามพระองค์ต่อไปที่อยู่ในสำนักเดียวกันที่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันถามกี่รูปตามลำดับพรรษาท่านก็ตอบแบบเดียวกันว่าท่านมีพรรษาน้อยท่านไม่พร้อมที่จะสอนพระเถระได้จนไปถึงสา ม, มเณรสา ม, มเณรก็เป็นพาาาระอรหันต์นะแล้วก็ตัวทิฏก็เชื่อว่าเป็นพาาาระอรหันต์ ก็เลยขอมอบกายวัดมอบกายกับใจเป็นลูกศิษย์กับสมณีนให้ช่วยสั่งสอนสมณีนก็ทําท่าจะไม่รับสอนเพราะเมื่อพระเถระท่านไม่รับแล้วสมณีนจะไปก้าอรับได้อย่างไรก็พอดีพระหัวหน้าท่านก็บอกสมณีนเธอไม่โปรดลูกศิษย์คนใหม่ของเธอสักหน่อยเลย สงสารเธอนะนะสมณะเองก็เลยรับพระโ พ, พธิรัฐไปเป็นลูกศิษย์แต่กอนที่สมณะเองจะสั่งสอนลูกศิษย์ได้นี้ต้องทดสอบจิตใจก่อนว่าเชื่อฟังหรือไม่ก็เลยต้องเอามาใช้ทำอะไรต่างๆที่ ที่จะได้ทดสอบได้รู้ว่าจะเชื่อฟังค า, า, าสั่งคำคำสั่งของสา ม, มเณรหรือไม่เณรก็เอามาใช้ล้างบาทใช้ล้างขรโถนใช้ล้างส่วมใช้ล้างกุฏิใช้กวาดถูกุฏิและบางทีก็แกล้งหลอกให้โดยลงไปในน้ําให้ไปหยิบของในน้ําให้พอลงไปครึ่งทางตัวเปียกสา ม, มเณรก็ไม่อ้วลอบเปลี่ยนใจ ทดลองดูกิริยาการของพระของลูกศิษย์ว่ามีกิริยาการไม่พอใจอะไรหรือไม่มดื้อดึงหรือไม่มก็ท่านก็แสดงความเชื่อความเคารพอย่างเต็มที่สั่งให้ทำอะไรก็ทำสั่งให้หยุดก็หยุดไม่มีอาการโกรธแค้นโกรธเคืองอะไร จนสั ม, มนเนมีความมั่นใจว่าท่านเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังพระธรรมคำสอนก็เลยสอนธรรมะสั้นๆ ท, ท่านเปรียบว่ากิเลสตัณหาเนี่ยตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนี้เหมือนตัวสัตว์ ก, ง ก, กิงก่ากิงเกือที่มันเขาเรียกกระป๋อมในภาษา มันอยู่ในอยู่ในรังอยู่ในรูแล้วมันมีช่องออกอยู่ห ก, หกช่องด้วยกันถ้าจะจับไอตัวกิ้งกือกิ้งก่าเนี้ยหรือตัวกระปองเนี้ยต้องปิดทางออกห้าทางแล้วก็มาคอยจับอยู่คอยเฝ้าอยู่ทางที่ไม่ได้ปิดเดี๋ยวไม่ช้าก็เลยมันจะต้องออกมาทางนี้ เพราะทางอื่นมันออกไปไม่ได้ฉันอีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจนี้มันก็มีทางออกอยู่หกทางด้วยกันคือทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทางใจท่านก็สอนว่าให้ปิดทวารทั้งห้าให้สำรวม ตาหูจมูกร่งกายเอซีสังวรน้่เรียกว่าเอนซีสังวรอย่าไปดูอย่าไปฟังอะไรที่จะทำให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาให้ไปปีกวิเวกอยู่ในป่าอยู่คนเดียวตามป่าตามเขาตามสถานที่วิเวกนี้จะไม่มีรูปเสียงกิ่นรสผลสะพะ ท, ที่จะมากระตุ้นให้กิเลสมันออกมาเพ่นพ่านได้ แล้วก็ให้มาเจริญสติเพื่อเฝ้าดูความคิดปรุงแต่งของใจที่เป็นที่เป็นจะเป็นทางออกสุดท้ายเมื่อมันออกไปทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายไม่ได้มันจะทำนั้นก็นั่งคิดนั่งจินตนาการปรุงแต่งไปเรื่อยๆคิดถึงอาหารคิดถึงขนมคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้มันยังไม่ยอมมันหิวกิเลสตัณหามันหิวกับ รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหิวกับความอยากมีอยากเป็นมันก็จะคิดเลื่อยเปื่อยไปมันจะไม่ยอมหยุดคิดเวลามันคิดก็ต้องใช้สติเนี่ยมาจับมันมาหยุดมันเรียกว่าเป็นการจับกิเลสจับกิเลสตัณหามาฆ่าเื้องต้นก็จับด้วยสติพอจับมาได้แล้วก็ใช้ปัญญาฆ่ามันด้วยการใช้ใยรักมาสอน ใจให้เห็นว่าสิ่งที่อยากนี้มันเป็นทุกข์และความอยากเองก็สร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะเกิดความอยากใจที่เย็นที่สงบี่ก็ใจกลายเป็นใจที่รุ่มร้อนเป็นใจที่วุ่นวายขึ้นมานี่เองพ อ, พอสอนพระเถระคือพระโพธิละเสร็จไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ น, นี้คือการศึกษาและปฏิบัติจาก พระอริยสงฆ์พระสุปฏิปันโนท่านจะสอนตรงประเด็นท่านจะไม่ไปสอนให้ฟังแล้วงงกันไปหมดเอ๊ต้องเรียนอภิธรรมหรือเปล่าต้องเรียนไอ้นั่นต้องเรียนไอ้นี่กันหรือเปล่าวุ่นวายกันไปหมดไม่ต้องไปเรียนหรอกเรียนเรียนตัวจิตตัวเดียวเรียนจะตัวกิเลสตัวเดียวว่ามันมาทางไหนมันออกมาทางไหนกิเลสมันมีช่องทางออกตรงไหนก็ปิดมันกั้นมันแล้วก็ เปิดให้มันออกมาเพียงช่องเดียวเพราะถ้าจะไปตามจับทั้งหกช่องนี่มันลำบากนะไปจับทางทางตามันก็ออกทางหูไปจับทางหูมันก็ออกไปทางจมูกทางลิ้นทางกายมันมีทางออกเยอะใจผู้ที่จะปฏิบัติจับมันนี่จะจะจับไม่ได้ถ้าปล่อยให้มันได้ออกทั้งหกทวารการปฏิบัติจึงมีการ สำรวมอินทรีย์เป็นเป็นการปฏิบัติเบื้องต้นใไปไปปีกวิเวกเนี่ยคำว่าปีกวิเวกก็คือการสำรวมอินทรีย์พ่าเวลาไปปีกวิเวกก็คือให้ไปที่สงบสงัดปราศจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองอย่าไปอยู่ตามที่มีแสงสีเสียงเช่นสถานบันเทิงหรือว่าโรงภาพยนตร์ศูนย์การค้า โรงละคร อ, อะไรอย่างนี้ถ้าไปอยู่สถานที่เหล่านั้นกิเลสก็ออกมาเป็นโนเลยมันออกเดินขบวนกันออกมาเลยอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็น่ากินอันนั้นก็น่าฟังดูแล้วเพลิดเพดเลินไปหมดแต่ไม่รู้ว่ากําลังสร้างความทุกข์ให้กับตนเองขอให้กิเลสออกมาเพ่นพ่านเพราะว่ามันเป็นของความสุขชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลง พอมันจบมันก็จะปล่อยให้ใจเศร้าซ้อยหงอเหงาทำให้ใจหิวโหยกำบรูปเสียงกลิ่นลดต่อไปนั่นเองถ้าตายไปความหิวโหยนี่ก็จะเป็นตัวพาให้มาเกิดใหม่นี่คือการศึกษาการปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ของเวลาที่เรามีว่างอยู่นี้ให้เราเข้าหาพระสุปฏิปันโนกัน<ม>เพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถพบพระพุทธเจ้าได้แล้วพระพุทธเจ้านี้ท่านจากพวกเราไปนานแล้วแล้วถ้าจะศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้<ม>ก็ศึกษาได้แต่จะยากกว่าศึกษาจากพ่อแม่ ถ้าให้ลูกออกเกิดออกมาปั๊บก็โยนหนังสือให้มันให้มันเอาไปอ่านวิธีกินข้าวกินยังไงมีกอกไก่ขอไขอไ่ทํางานทําไม่ได้ถ้าไม่มีคนสอน<ม>ถ้าไปศึกษาจากพระไตรปิฎกก็แบบนั้น<ม>ต้องเป็นคนที่ฉลาดในระดับหนึ่ง<ม>ที่อ่านแล้วเข้าใจความหมายของคําสอนว่ามีความหมายว่าอย่างไรเพราะตัวหนังสือนี่อ่านแล้วมันแปลได้หลายความหมายด้วยกัน<ม>ถ้าคนไม่ฉลาด แปลไปไม่ถูกก็จะงงจะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติที่ถูกตั้งนั้นปฏิบัติอย่างไรจึงต้องมีคนคอยสอนคอยคอยแปลภาษาให้ทีแปลภาษาไทยเป็นปภาษาไทยทีเพราะอ่านภาษาไทยแต่ไม่เข้าใจเพราะความหมายของภาษาไทยนี้มีหลายความหมายด้วยกันเช่นคาว่าเวทนาก็มีหลายความหมายเวทนาทางาศาสนาก็ ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาทางโลกก็แปลว่าสมเพศเวทนา น, น่าสงสารกลายเป็นอย่างนั้นไปถ้าถ้าอ่านแล้วก็จะงงบางคนก็าบอกว่าอ่านธรรมระภาษาอังกฤษนี่ดีกว่าเพระาะภาษาอังกฤษนี่เขาแปลตรงตัวแปลเอาความหมายของธรรมะโดยตรงมาแปล แล้วจะได้ไม่สงสัยไม่ลังเลว่าคำคํานี้หมายความว่าอย่างไรเช่นคําว่ากรรมนี่พวกเราก็งงบางทีกรรมเราที่ว่าพอพูดถึงกรรมก็คิดว่าบาปไม่มาทีแต่ความจริงคําว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทําทางกายทางวาจาทางใจถ้าทําทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทําทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรม ทำทางใจก็เรียกว่ามาโนกรรม <Yeah. S 1> เป็นกรรมคือแปลว่าการกระทำไม่ได้แปลว่าบาป mm hmm. นี่บางทีพูดคาว่ากรรมนี้ก็ไปคิดว่าเป็นบาปแล้วแต่ความจริงไมไม่ใช่คำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทาซึ่งเป็นการกระทํมสามทางแล้วก็มีสามแบบ mm hmm. กรรมดีก็เรียกว่าบุญ mm hmm. กรรมชั่วก็เรียกว่าบาป mm hmm. กรรมที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็เรียกว่ากรรมกลางๆอันนี้ภาษาไทยเราเนี่ยมีปัญหาคําว่าสติกับสมาธิก็งงเหมือนกันเพราะเราเอาคําว่าสมาธิไปใช้แทนสติกันเช่นวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยไม่มีสมาธิในการดูหนังสือเรียนหนังสือเลยความจริงไม่ใช่ คำ ว, ว่าสมาธินี้แปลว่าจิตรวมเป็นฌานเป็นอัปปนาสมาธินิ่งสงบแต่เราเอาคำสมาธินี้มาใช้แทนสติหรือไม่มีสติอยู่กับการดูหนังสือเลยไม่มีสติอยู่กับการทำงานเลยเพราะใจบัวแต่ไปคิดกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ไปทำงานไม่ถูกเรียนหนังสือไม่เข้าใจอันนี้เป็นคาว่าสติ เนี่ยพอมาศึกษากันก็เลยงงเลยว่าให้กูปฏิบัติอะไรเนี่ยนั่งสมาธินั่งยังไงเจริญสติเจริญยังไง เ, เพราะว่ามันเราไปเข้าเอาไปใช้ใช้ภาษาในทางที่ตรงกันข้ามกับความหมายของความหมายเดิมทางธรรมะนี่เองหรือคำว่าอธิษฐานนี่ก็ใช้ผิดแล้ว อธิษฐานนี้ส่วนใหญ่จะว่างไงขอใช่ไหมขอให้ร่มให้รวยขอให้สวยขอให้สวยไม่สั่งบายไม่รู้รวยขอให้สุขให้เจริญอันนี้ไม่ใช่ความหมายเดิมของศาสนาอธิษฐานแปล ว, ว่าความตั้งเป้าหมายของการกระทำว่าเราวันนี้จะทำอะไรเช่นวันนี้ญาติโยมตั้งเป้าหมายว่าวันนี้จะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรม อันนี้เรียกว่าอธิษฐานที่แท้จริงเพราะถ้าไม่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทําอะไรในวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมถ้าไม่รู้จะไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปทําอะไรก็แสดงว่าไม่มีอธิษฐานไม่มีความตั้งใจแต่ถ้ารู้ว่าวันนี้จะต้องไปทํานู่นทํำนี่นนเรียกว่าแสดงว่าตั้งเป้าหมายไว้แล้วมีการตั้งอธิษฐานขึ้นมาแล้ว นี่คือปัญหาของคนไทยเราในการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนจากหนังสือด้วยตนเองนะอหนังสือด้วยตนเองนี่จะสับสนมากแต่ถ้าศึกษากับครูบาอาจารย์นี้ไม่สับสนเพราะท่านจะมีตัวอย่างชี้เนเวลาไม่มีสติท่านก็จะเตือนทันที ทำอะไรผิดพลาดทําแก้วแตกทําอะไรเสียงอึกกระทึกครึกโคนนี่ถ้าบอกไม่มีสติแล้วถ้ามีสตินะวัดป่านี่เวลาพระทําอะไรนี่เงียบหมดนะเที่วยวเช็ดถ้วยเช็ดชามเช็ดอะไรนี่แม้จะไม่ให้มีเสียงดังเลยไม่มีเสียงกระทบของของถ้วยกับช้อนกับแก้วกับจานอะไรต่างๆล้างถ้วยล้างชามก็เหมือนกันแล้วก็ไม่มีเสียงคุยกันด้วยถ้าเป็น พี่อื่นเนี่ยโอ้ยนั่งทัวนั่งชามเสียงกุกกักกักเสียงถ้วยเสียงชามเคาะกันตีกันแล้วเสียงปากคนก็คุยคุยกันไปด้วยนี่แหละคือลักษณะอาการของการไม่มีสติถ้าเป็นวัดปฏิบัติเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้พอครูบาอาจารย์เดินผ่านมาปั๊บเงียบหมดเลยพอครูบาอาจารย์มาทีนี้สติกรรบมาทันทีนะ การสอนจริง ๆ, ๆ, ๆดีกว่าการเรียนด้วยตนเอง เ, เรียนจากคููที่รู้จริงเห็นจริงเนี่ยท่านจะสอนให้ตรงประเด็นที่สุดไอ้เรื่องที่ไม่มไมจาเป็นจะต้องรู้ท่านไม่ต้องไปสอนจะาไม่สอนให้เสียเวลา<ม>เหมือนกับเรื่องที่มีอยู่ในพ ร, ระไตรปิฎกว่ามีชายคนหนึ่งถูกถูกยิงด้วยธนูเนี่ยแล้วมีหมอมา คนที่ช่วยรักษาจะดึงธนูออกให้แล้วทำแผลให้ชายคนนั้นที่ถูกยิงก็บอกอย่าท่านอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำผมอยากจะรู้ก่อนว่าใครเป็นคนยิงผมพอมันชื่ออะไรแม่มันชื่ออะไรตัวมันชื่ออะไรแล้วธนูอันนี้ทำด้วยไม้อะไรปลายธานูนี่ทำด้วยเหล็กโลหะอะไรหางมันทำด้วยขนนกชนิดไหนช่วยไปหาความรู้แหบนี้ผมทราบก่อน ถ้ามูแต่ไปหาความรู้หลังนี้ไม่ยียบถอนธนูออก <c oughs> ก็เดี๋ยวก็แผลเวอวะตายได้ <c oughs> ไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีนะดั้นความรู้ต่างๆนี่ที่บางทีถามแล้วนอกประเด็นของการปฏิบัตินี้ครูบาอาจารย์ท่านจะไม่พูดท่านยังไม่สอนให้เสียเวลาเพราะจะทําให้เกิดการสับสนแล้วก็จะไม่ได้นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆ เหมือนกับสา ม, มเณรที่สอนสอนโพธิรัตน์เนี่ยสอนตรงประเด็นที่สุดสอนให้ปิดทวารทั้งห้าแล้วก็มีสติจดจอ่อเฝ้าอยู่ที่ทวารที่หกมีสติและปัญญาถ้ามีทั้งสติมีทั้งปัญญาพอกิเลสปัญหาโมหะวิชาโผลวับขึ้นมาก็ตัดได้ทันทีตัดได้ทันทีไม่นานมันก็หมดไปจากใจ อันนี้ <c oughs> คือการเรียนรู้จากพระ อ, อริยสงสาวกนี้มีประโยชน์กว่าง่ายกว่าการเรียนรู้จากพระไตรปิฎกนะแต่ไม่ปฏิเสธความสำคัญของพระไตรปิฎกถ้าหาครูบาอาจารย์ไม่ได้เลยเนี่ยก็เรียนจากพระไตรปิฎกดีกว่าดีกว่าไปเรียนกับพระอาจารย์ปลอมกัพระอาจารย์ที่สอนธรรมะแต่เป็นธรรมะปลอมนะ หลวงปู่ม่านท่านเคยพูดว่าธรรมของพุทธเจ้านี่ถึงแม้จะเป็นธรรมมันวิเศษก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในใจของปุถุชนผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหานี้ท่านบอกว่ามันจะกลายเป็นธรรมะปลอมไปไม่ใช่เป็นธรรมะจริงเพราะกิเลส ม, มันจะเอาธรรมะนี้มาแปลงความหมายไปหมดแล้วถ้าเอาไปสอนคนอื่นก็จะทาให้ได้ธรรมะปลอมกัน การจะศึกษาจากครูบาจารย์นี้เราต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าท่านเป็นพระที่รู้จริงเห็นจริงเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ได้บรรลุธรรมอย่างน้อยขั้นใดขั้นหนึ่งในสี่ขั้นคือตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเพราะเพราะการได้เป็นพระอริยะนี่แสดงว่าได้เข้าถึงธรรมแท้แล้วได้เข้าถึงอริยสัจสี่ด้วยการปฏิบัติ คือเห็นมันเกิดขึ้นในใจแบบสดสดร้อนๆอนเลยไม่ใช่เป็นการนั่งจินตนาการเหมือนตอนนี้อย่าโยมนั่งจินตนาการได้ว่าเออความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากแต่อย่างตอนนี้ใจมันไม่ทุกข์มันมันก็เลยไม่เห็นว่าตัวความอยากเป็นตัวทําให้ใจทุกข์ไว้เวลาที่โดนใครก็ตบหน้าแล้วร้องหม่มร้องไห้ดูแล้วดูซิว่าทาไมต้องร้องหม่มร้องไห้ด้วย ถ้ามีปัญญามันก็จะรู้ว่าอการที่ถูกเขาตบหน้าก็เป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาคนอื่นนี่เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับเรานี่เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เป็นอนัตตาเราจะให้เขาไม่ตบหน้าเราไม่ได้ถึงเวลาเขาจะตบหน้าเราก็ตบ ตกก็ต่อไปทำไมต้องร้องไห้เนี่ยตบแล้วก็มันก็ผ่านไปแล้วมาเจ็บใจเพราะอะไรเพราะแค้นเพราะโกรธเพราะอยากไม่ให้เขาเนี่ยเพราะอยากไม่ให้เขาตกหน้าเราอยากให้เขาชมเราอยากให้เขาดีกับเราพอเขาตบหน้าเราหือด่าเราท่านี้ก็เสียใจเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยถ้ามีทำถ้ามีสติปัญญาจะเห็นอริยสัจปรากฏขึ้นมาบแบบสดสดร้อน โอ้ตอนนี้เราทุกข์ใจเสียใจเพราะความอยากของเราความอยากให้เขาดีกับเราไม่ทำร้ายเราเพราะเราไม่มีปัญญามองไม่เห็นว่าเขาเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังอนัตตาว่าเขาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไปให้เขาดีกับเราไม่ได้บางทีเขาอาจจะดีกับเราแต่บางทีเขาก็อาจจะไม่ดีกับเราก็ได้ฉะนั้นเวลาใครดีกับเราอย่าไป อย่าไปหลงลเราเลืคิดว่าเขาจะดีกับเราไปตลอดนะมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนใช่ไหมอันนี้จังเขาดีกับเราวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะร้ายกับเราก็ได้เะฉะนั้นถ้าผู้ที่มีปัญญานี้จะระมัดระวังไม่ว่าจะสัมผัสอะไรกับใครนี้จะคอยเตือนใจว่าไม่แน่นะวันนี้เป็นอย่างนี้แต่พรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้แต่สอนใจไนมะ่ให้ไปหวังอะไรจากคนนั้นเลย เขาจะดีก็ได้เขาจะร้ายก็ได้เพราะเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้อันนี้แหละเรียกว่าเป็นปัญญาแท้เป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติพอเวลาเขาร้ายพอเขาตบหน้าเราเราก็เฉยเสยเจ็บเจ็บกายอย่างเดียวพออย่าไปอย่าไปเจ็บสองเด้งมาเจ็บกายแล้วยังต้องมาเจ็บใจทําไมใจนี้เราสามารถป้องกันไม่ให้มันเจ็บได้ถ้าเรามีปัญญาเนี่ย พระอริยะบุคคลนี้ท่านจะเห็นอริยสัจ ต, ตลอดเวลาเวลาที่ทํางานเวลาที่กิเลสโผล่ขึ้นมาปั๊บท่านรู้แล้วออกมาแล้วอยากแล้วอ ย, อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้พอรู้ปั๊บก็หยุดมันทันทีด้วยการใช้ใจรักว่าสิ่งที่อยากได้เป็นอนัตตาไปสัพเพธรรมานตตา สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของนี้เป็นอนัตตาเหมืเป็นธรรมชาติคําว่าอนัตตาก็คือเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเองเขาก็ควบคุมบังคับของตัวเขาเองไม่ได้บางทีเขาก็ไม่อยากจะโกรธแต่เขาก็แสดงอาการโกรธออกมาเวลาเขาอยากจะดีบางทีเขาแสดงอาการดีออกมาไม่ได้เพราะเขาควบคุมตัวเขาเองไม่ได้ แล้วเราจะไปควบคุมให้เขาดีกับเราได้อย่างไรอันนี้คือปัญญาต้องพยญญาปัญญานี้จะถ้าเห็นอะไรปั๊มนี้มันเหมือนกับเครื่องสแกนเนี่ยมันจ ะ, จะมันจะสแกนหานิจังทุกขังอนัตตาทันทีตันนี้มีนิจังทุกขังอนัตตาเปล่าไฟแดงโผล่ขึ้นมาทุกทีเลยเวลาสแกนสแกนคนก็ไฟแดงโผล่ขึ้นมาสแกนเข้าของเงินทองก็ไฟแดงก็โผล่ขึ้นมาสแสดงว่าเป็นตายรักทั้งนั้น เหมือนตอนนี้เขามีสแกนอุณหภูมินี่ไหมจะเข้าสถานที่นี้เขามีเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยพอมันเกินปั๊บนี่มันก็จะโผล่ไฟแดงขึ้นมาทันทีนะอ๋อนี่อุณหภูมิสูงมีไข้แล้ว อ, อันนี้ก็เหมือนกันคนนี่มีสติปัญญาจริงๆรงิสติปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยมันจะทํางานตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น พอมันตื่นขึ้นมาปั๊บมันสัมผัสรับรู้กับอะไรไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกิ่นรสผดพ่าหรืออารมณ์ภายในใจของตนเองนี่มันจะคอยสแกนอยู่ตลอดเวลาว่ามันออกไปทางสีแดงหรือไปทางสีเขียวถ้าสางสีเขียวก็ผ่านปล่อยให้มันผ่านไปได้แต่ถ้ามันไปทางสีแดงปั๊บมันจะหยุดทันทีเพราะมันรู้ว่ามันจะ มันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะคิดไปในทางความอยากแล้วอยากให้ลูปเสียงกินดนรสเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นขึ้นมามันก็จะทำให้ <c oughs> มันทุกข์ขึ้นมาในใจทันทีทุกข์ของเราไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากกิเลสตัณหาในใจของเราเท่านั้นคนหนึ่งก็ททำให้เราทุกข์ไม่ได้ถ้าเราไม่มีกิเลสตัณหา เช่นให้ต่อให้เขาตบหน้าเรากี่ครั้งมาตามถ้าไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความอยากให้เขาไม่ตบหน้าเรามันจะไม่ทุกข์มันจะเฉยเฉยมันมันมันมันตม เ, เ, ia, นเ ต, emie, นตรียมรับกับเหตุการณ์อย่างพระมุคคลานะท่านก็เตรียมรับกับเหตุการณ์ว่าท่านจะต้องถูกฆ่าตายท่านก็ไม่ทุกข์เวลาคนจะมาฆ่าตายฆ่ฆ่าท่านตายท่านยอมรับว่ามันเป็นกรรมของท่านแล้วยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายของร่างกาย เกแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาที่พวกเราท่องกันเป็นนกแก้วเนี่ยมันเป็นเพียงแต่เป็นแต่สัญญาท่องแล้วก็ลืมพอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งนนเนี่ยความทุกข์ปีติขึ้นมาเลยปู๊บขึ้นมาเลยเฮ้ยพูดจะตายแล้วเว้ยตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะไอ้ที่เราท่องมันท่องแบบนกแก้ว แก้วจ๋าแก้วจ๋าสอนโนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอเอาเพชรนินจินดาให้มันมันเขีย่ยทิ้งเขี่ยทิ้งหมดเพราะมันกินไม่ได้แต่พอหยิบกล้วยให้มันนี่มันคว้ามับเลยแก้วจ๋าแก้วจ๋าพวกเราก็เหมือนกันให้สอนให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนีย่ก็ท่องกันไปท่องกันไปแต่พอดูหน้าตามีสิวมีฝ้าขึ้นมานี่รีบวิ่งหาหมอนี่วิ่งหายากันนะไม่เป็นธรรมดาใช่มเรา เ <c oughs> ี่แสดงว่าขาดปัญญานถ้ามีปัญญาเออมันก็อย่างงี้ร่างกายเอมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่แล้วเดี๋ยวมีเจ็บแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติที่ไม่รู้พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเการที่เราได้มาเกิดเนี่ยในยุคนี้่เป็นยุคที่ประเสริฐมาก พราเราจะได้เจอสิ่งที่หายากสี่ประการด้วยกันสิ่งแรกก็คือการเกิดของพระพุทธเจ้านานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหลังจากที่ศาสนานี้หมดไปแล้วภายในระยะเวลาสองพันกว่าปีนี้จะไม่มีใครรู้เรื่องของการดับความทุกข์ได้ก็จะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสะุ้ซึ่งท่านก็บอกว่าออกหลายกับหลายกันคาว่า ก, กับว่ากันก็คือหลาย หลายล้านล้านปีเนี่ยถึงจะได้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาปรากฏอีกสักครั้งหนึ่ ง, ง น, น, นี่เราได้พบสิ่งที่หายากแล้วหนึ่งสิ่งก็คือได้พบกับพระพุทธเจ้าถึงแม้ไม่ได้พบกับตัวก็ได้พบกับตัวแทนของพพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั้นถ้าเราเห็นธรรมก็เท่ากับเราได้เห็นพระพุทธเจ้า เราได้อ่านหนังสือธรรมะก็สะแสดงว่าเราได้ฟังธรรมะจากพระโอษฐ์จากของพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราธรรมะที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็นธรรมะที่ได้บันทึกกันไว้จดจํากันไว้เหมือนเครื่องเครื่องบันทึกเสียงนี่แล้วก็มาใส่ไว้ในในพระไตรปิฎกเป็นหนังสือเป็ น, เ ป, นเป็นภาษาต่างๆที่เอาไปแปลกันอันนี้เราได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วนแล้วของที่หายากของที่สองคืออะไร คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี <Yeah. S 1> การเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เป็นของง่ายนะเราตายไปแล้วนี่ไม่ใช่จะกลับมาเกิดพรุ่งนี้เลยนะเอ <Yeah. S 1> เพราะว่า <Yeah. S 1> เดิมเราไปทําบาปทํากรรมขณะที่เราเป็นมนุษย์กันทําบุญทําบาปกันเยอะ <Yeah. S 1> วันวันอย่งนี้เราเดี๋ยวก็ทําบาปกันส่วนใหญ่จะทำบาปมากกว่าทาบุญบุญนี่นานๆจะทํากันสักครั้งวันพระสักครั้งเรือ่อะยหลัง <Yeah. S 1> จากถ้าเป็นชาวบ้าน <Yeah. S 1> เขาก็ใส่บาตทุกวันเอ yeah. เขาก็ได้ทําบุญทุกวันแต่เขาก็ทําบาปด้วยเดี๋ยวเขาโกหกเดี๋ยวเขขโมยหยิบของคนนั้นหยิบของคนนี้มาเดี๋ยวเขาก็ไปตบยุงฆ่ามดอะไรมแมลงต่างๆมีการกระทาบาปอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาตายไปนี่ก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ต้องไปใช้กรรมก่อนต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่กี่ร้อยปีกี่พันปี กว่าจะหมดกว่าจะบุญกับบาปมันจะเท่ากันบุญกับบาปไม่หมดหรอกเพียงแต่ว่าบุญกับบาปมันจะเป็นผู้ที่จะมาแย่งจิตของเราดวงจิตดวงวิญญาณของเราให้ไปเกิดในภพต่างๆถ้าเป็นบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงให้เราไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมกันถ้าบาปมีมากกว่ามันก็จะดึงให้เราไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปนรกกัน จนการ บ, บุญกับบาปมันจะมีกําลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงใจไปเกิดในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปเกิดในอบาได้เวลานั้นก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเข้าคิวรอยก่อนเพราะว่าการจะผลิตมนุษย์นี้โรงงานผลิตมนุษย์นี้มันมีน้อ ย, อยต้องมีมนุษย์ด้วยกันถึงจะผลิตมนุษย์ได้เช่นบนโลกเรานี่เรามีมนุษย์กี่กี่พันล้านคน 6,000 ล้าน 7,000 ล้านคนแต่สัตว์เดรัฉานนี่มันมีกี่กี่หมื่นล้านคน ม, มีกี่หมื่นล้านตัวปลาในทะเลนี่มันมีมากน้อยเท่าไหร่หมดแมลงที่มีอยู่บริเวณเนี้ยมันมีมากกว่าคนที่นั่งอยู่ฟังเทศฟังธรรมอีกตอนนี้งั้นการจะมาเกิดมันต้องมีพ่อแม่ใช่ไหมถึงจะเกิดได้ถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีพ่อแม่เป็นมนุษย์ถึงจะเกิดได้ แล้วยิ่งสมัยนี้มนุษย์ก็มีความรู้มากด้วยรู้จักวิธีหมัน่นทำหมันกันรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการเกิดขึ้นอีกมันก็เลยทําให้โอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันมันลดน้อยถอยลงไปมากแต่คิวที่จะมามารอนี่มันเยอะเหมือนกับเด็กที่จะเข้ามาหาลัยเนี่ยปีแต่ละปีนี่ไปสอบเอ็นกันเยอะแยะไปหมดแต่เขารับไม่ได้หมด เพราะว่าที่ที่จะรับเด็กมันมีจํานวนจํากัดเห็นไดที่ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันก็มีจํานวนจํากัดแต่พวกที่จะมารอเข้าคิวมาเกิดเป็นมนุษย์นี่โอ้มันยาวเหยียดเลยเห็นช่วงนั้นถ้าไม่ไม่มีไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาเกิดก็ต้องรอคิวไปก่อนก็เป็นดวงวิญญาณไปเรื่อยๆก่อนดวงวิญญาณที่จะไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปจะไปนรกก็ไม่ได้ไป ก็เป็นดวงวิญญาณแบบกลางๆไปรอจังหวะกว่าที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือการเกิดของมนุษย์นี่มันยากอย่างนี้งั้นอย่าไปคิดว่าเว่าเดี๋ยวเราตายไปปับ๊บเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเกิดใหม่เหมือนกับคนบางคนเด็กบางคนนี่เขาเป็นกรณีพิเศษตายไปปับ๊บเขายังจําได้ว่าชาติก่อนนี้เขาอยู่ที่ไหนสามารถพิสูจน์ได้ครับ อันนี้เป็นเพราะว่าเขาอาจจะทำบุญทำบาปพอๆกันแล้วก็พอเวลามีจังหวะได้มีได้รับร่างกายก่อนคนอื่น <Yeah. S 1> คิวอาจจะลัดคิวด้วยอำนาจวาสนาบารมีหรือ <Yeah. S 1> อะไรก็สุดแท้แต่อันนี้ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ฟังได้ว่ามันเกิดจากอะไร <Yeah. S 1> แต่ใครรู้ไว้ว่าการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนี้ไม่ใช่เป็นของง่าย อาจจะอีกหลายร้อยปีหลายพันปีหลายหมื่นปีก็ได้กาบมาเกิดขาวหน้าพระพุทธศาสนานี้ก็จะอาจจะไม่มีหลงเหลืออยู่ในในโลกนี้แล้วก็ได้้ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนานก็เหมือนกับเป็นเป็นพระโพ ธ, ธิลัชเองเกิดมาก็ไม่มีไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ยกเว้นมา่ามีบรารมีสะสมมามากจนเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์นี้สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้โดยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้สอนเช่นพระพุทธเจ้าของแต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ท่านไม่มีใครสอนแต่ท่านมีบรารมีที่ได้สะสมมาไว้อย่างแก่กล้าพร้อมที่จะทําให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมได้ พราอมที่จะทาให้ท่านเห็นอริยสัจสี่สเห็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาได้ท่านก็เลยตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมามด้วยตนเองแล้วการตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าแต่และองค์นี้ก็มีทั้งสองรูปแบบเป็นอาหัรตดสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าถ้าเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนใคร การตัดทรู้รู้คนเดียวเก็บความรู้ไว้ในใจไม่เอามาสอนคนอื่นไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุผลนันใดอาจจะเป็นเพราะหานักเรียนไม่ได้มังบางทีไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาทำปฏิบัติธรรมเพราะอาจจะเป็นยุคแบบแบบแบบโลกเราตอนนี้กําลังเจริญทางด้านวัตถุ ก, กันทุกคนกําลังบ้ากามกันกําลังวิ่งเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสกัน ที่จะให้มาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่แทบจะหาหาไม่ค่อยมีสมัยนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนี้คนเข้าวัดน้อยลงเยอะน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะสมัยก่อนนี้คนไทยเกือบทุกคนนั่นสมัยปู่ย่าตายายเหล่านี้อยากเข้าวัดกันดังนั้นถ้าเป็นชาวพุทธจะรู้จักการเข้าวัดรู้จักการทําบุญทําทานนักษาศีลฟังเทศฟังธรรม แต่สมัยนี้ลองไปคุยกับเด็กดูฟังธรรมไหมหนูอะไรวะฟังอะไรรู้แต่อย่าฟังแต่คอนเสิร์ตฟังแต่อะไรอ่างนั้นฟังเพลงฟังคอนเสิร์ตแต่พอยพไปฟังธรรมนี้ไม่รู้เรื่องถ้าเป็นถ้าถ้าไปตัดสั้นเป็นพระพุทธเจ้าในยุคที่ไม่มีใครสนใจก็ไม่มีใครสอนไม่มีคนมาเรียนสอนไปก็ไม่มีใครฟังท่านก็เลยไม่สอน เ, เช่นพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เหมือนกันนะตอนที่ท่านตัดสรุปใหม่ๆท่านก็ไปมองเห็นคนที่บ้ากามกันคนที่สแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคนที่ไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะกันท่านก็เลยไม่มีความปรารถนาไม่มีกำลังใจที่จะสอนว่าสอนไปก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังสอนไปก็เหมือนอเทน้ําใส่หลังหมา เ ค, เคยเห็นเคเทน้ําใส่หลังหมาไหมมะหมามันจะเก็บน้ำไหมมันไม่เก็บหรอมันสะบัดทิ้งหมดแสดงทําให้กับคนที่ไม่สนใจฟังธรรมเนี่ยบาคนมาฟังธรรมเพราะถูกบังคับให้มาเวลามานั่งกับใจลอยก็คิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เสียงธรรมก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปพอฟังเสร็จก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจก็พานักเรียนนักเรียนในในสิทธิ์ของตํารวจมาฟังธรรมกัน พวกนี้เขามาฟังไม่ได้ฟังด้วยความอยากมาเนี่ยส่วนใหญ่เขามาเพราะถูกบังคับให้มาพอผู้บังคับบัญชาสั่งให้มาต้อนให้มากันก็ไปเลยไม่รู้ว่าฟังจริงๆฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะขณะที่ฟังนี้ก็อาจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆหรือภาษาธรรมบางเรื่องอาจจะฟังแล้วยังไม่มีพื้นฐานก็ฟังไม่เข้าใจได้การฟังธรรมนี้มันจะต้องเกิดจากศรัทธาความเชื่อ และเกิดจากการได้มีพื้นฐานในความรู้ทางธรรมบ้างได้ศึกษามาบ้างแล้วถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจเวลาฟังธรรมว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรกันอันนี้ก็ทำให้การฟังธรรมนี้ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคาสอนก็ตามพระพุทธเจ้าบางรูปท่านก็เลยตัดสินใจไม่สอนดีกว่า ของพระพุทธเจ้าของพวกเราตอนต้นก็ตัดสินใจไม่สอนเหมือนกันแต่มีพระเท่ามหาพรหมได้มาขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ลองพิจารณาอีกรอบหนึ่งให้ปวดพิจารณาดูว่าสัตว์โลกนี้ไม่เหมือนกันทุกคนนะหลังจากนั้นหลังจากที่ได้พิจารณาตามที่ได้ร้องขอมาก็สามารถแยกสัตว์โลกเป็นบัวสี่เหล่าได้พวกที่ มีพื้นฐานมีความพร้อมมีความยินดีที่จะฟังธรรมก็มีอยู่แม้จะมีจำนวนน้อยก็ยังมีอยู่เช่นพวกนักบวชทั้งหลายพวกบัวบัวเหนือน้าพวกนักบวชที่มีมีฌานมีสมาธิแล้วพร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมได้ทันทีนี่ก็พวกที่หนึ่งพวกที่สองก็เป็นพวกนักบวชแต่มีแต่ศีลยังไม่มีสมาธิยังไม่มีฌาน ก็ต้องสอนวิธีฝึกสมาธิฝึกฌานให้เขาก่อนพวกที่สามก็เป็นพวกคารวะญาติอยูที่มีศรัทธาในเรื่องของธรรมมีความศรัทธาในเรื่องทานเรื่องศรรีลเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาแต่ยังไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ตัวนี้ก็ต้องใช้เวลาสอนให้เขาจัจดระเบียบก้าวหน้าขึ้นไปตามลาดับจากบัวขั้นที่สามเป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งได้ ส่วนพวกที่สี่ก็พวกที่ไม่สนใจธรรมะนี่พวกที่จะเอาแต่เสพรูปเสียงกลิ่นรสพวกที่จะเอาแต่เที่ยวกินดื่มเล่นกันพวกนี้ก็ตัดไปได้เลยเป็นพวกบัวที่อยู่ต่างโคนตมไม่มีโอกาสโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือ น, น้ํานี่ยากมากเพราะส่วนใหญ่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปหลังจากที่ได้พิจารณาความ แตกต่างของสัตว์เนว่าเป็นบัวศีลเราจึงทําให้พระองค์ทรงเปลี่ยนพระไถยเปลี่ยนใจว่าอ้อาวไปนี้จะสแสดงธรรมแต่จะทรงเลือกแสดงกับพวกที่ฉลาดก่อนพวกที่พร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมก่อนก็พวกนักบวชทั้งหลายกลุ่มแรกก็คือพระปัญจวคัคคีที่เคยติดตามเคยศึกษากับพระองค์มาก่อนนั่นเองพองค์รู้ว่าพวกนี้พร้อมเขามีฌานมีศีลเขาขาดปัญญา พ่อพุทธเจ้าไปแสดงปัญญาคือไตรลักษณิจังสุขทังอนัตตาแสดงอริยสัจสี่เขาก็พร้อมที่จะบรรลุธรรมได้เลยอันนี้คือเรื่องของพ่ะพุทธเจ้ามีสองแบบมีปฏเจตกับพุทธเจ้าคือตักทะลุแล้วไม่สามารถสอนผู้อื่นได้เพราะเหตุการณ์หรือผู้ผู้อื่นไม่มีความสนใจอยู่ในยุคของยุคในสมัยที่มืดบอดไม่มีคนสนใจที่จะเข้าหาธรรมกันก็เหมือนกับ เป็นครูแต่ไม่มีนักเรียนมาสมัครเรียนไม่มีไม่ไม่มีนักเรียนสมัครเรียนก็ไม่ต้องสอนเหมือนที่นี่เยเปิดโรงเรียนเปิดแสดงเวลาแสดงทำถ้าเกิดวันนี้ไม่มีใครมาเลยก็ไม่ได้สอนก็ได้นอนแทนแต่วันนี้ก็ยังมีเมื่อมีนักเรียนมาครูก็ต้องมานั่งสอนต่อไปในพระประเจกาก็เป็นแบบนั้นเปิดโรงเรียนแล้วแต่ไม่มีนักไม่มีใครมาสมัครเรียนกัน ก็เลยต้องปิดโรงเรียนก็เลยอยู่ตามสภาพเห็นพระประเจกะพุทธเจ้าไปรู้รู้เฉพาะตนไม่สามารถมอบความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นนะเพราะไม่มีใครสนใจที่จะมาศึกษามาลร่มเรียนอันนี้คือพระพุทธเจ้าสองรูปแบบด้วยกันที่นานๆาจะมาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งถ้ามาเกิดแล้วมันเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับผู้อื่น มีประโยชน์กับตัวพระองค์เองเพียงองค์เดียวท่านเองการมาเกิดของพวกเราในเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งเมื่อไหร่พระเราพุ่งเป้าไปที่พระสีอานกันนะแต่จังหวะมันอาจจะไม่ตรงกันได้จังหวะที่พระสีอานมาเกิดมาเป็นตัะรูกับจังหวะเรามาเกิดเป็นมนุษย์มันอาจจะคนละช่วงกันก็ได้ช่วงที่ได้มาเกิดเป็น เป็พระพุทธเจ้าเรายังอาจจะเป็นเทวดาหรือยังอาจจะเป็นเปลิดอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเรามาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยพระสยอาอาจจะหายไปแล้วก็ได้ศาสนาคําสอนของพระสีออาจจะหายไปหมดแล้วก็ได้มาเกิดในยุคมูดต่อไปเะฉั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากแล้วยังยากกว่าก็คือการมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคของที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้า มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ครับพวกเราเนี่ยได้สองอย่างนี่ละเราได้พบกับการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าเคือได้พบกับพระพุทธศาสนาเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ละเรามีสิ่งที่หายากสองสิ่งแต่เรายังมีสิ่งที่หายากอีกสองสิ่งคืออะไรก็คือการมีชีวิตอยู่นี่ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะคนเราชีวิตของเรานี่เป็นเหมือนเดินบนเส้นเส้นได้นะ จะจะขาดเมื่อไหร่จะตกลงมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าจะอยู่พรุ่งนี้จะอยู่ได้หรือไม่เพราะมีคนตายทุกทุกกระยุไขวันนี้มีคนตายขณะที่พูดอยู่นี้ก็มีคนตายคนที่เขาไม่คาดฝันไม่คิดว่าเขาจะตายก็ตายกันเยอะแยะไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วจะตายในอายุแปดสิบเก้าสิบปีนะตายตั้งแต่หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงนี้ก็มีเกิดมาปั๊บอยู่ไม่ได้นานก็ตายไป การที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หายากมากสิ่งที่สามเพราะเราต้องมีสิ่งนี้เราจึงจะสามารถทําในสิ่งที่สี่ได้สิ่งที่สี่ที่ยากก็คืออะไรก็คือการฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ใช่เป็นของง่ายโดยเฉพาะทำแท้นี่จะหายากทำปอม่มีเยอะแต่ทำแท้นี่ต้องต้องฟังจากพระอริยสงฆ์เท่นั้นเองพระสุปฏิปันโน แล้วการที่เราจะไปฟังแต่ละครั้งนี้มันก็ไม่ใช่จะง่ายๆเพราะพระสุปฏิปันโนนี้ส่วนใหญ่ท่านจะไปอยู่ที่ไกลจากความเจริญเพราะที่เจริญนี้มันไม่ได้เป็นที่เพาะเพาะธรรมนั่นเองเหมือนกับการปลูกข้าวถ้าปลูกข้าวบนบนหินบนภูเขานี่มันมันขึ้นยากกว่าปลูกข้าวตามตามตามนาตามไร่อย่างใดทำมันก็เหมือนกัน ทำนี้จะออกมาได้ง่ายกว่าถ้าอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกก็ต้องไปอยู่ที่ไกล ท, ที่กันดารที่นักยากลำบากซึ่งถ้าเรารักความสะดวกรักความสบายเราก็ไม่อยากไปกันการฟังธรรมก็เลยถือว่าเป็นของยากคือถ้าฟังธรรมแท้ก็ต้องต้องไปหาผู้ที่รู้ธรรมะ แ, แท้มาแสดงให้เราฟังกัน แต่ยุคนี้พวกเราโชคดีมีมีเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยทำให้เราสามารถเข้าถึงธรรมะของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระระยะบุคคลได้อย่างง่ายดายเพราะมีการไปบันทึกเทปบันทึกเสียงบันทึกภาพแล้วก็อามาเผยแผ่ในในสื่อต่างๆโดยเฉพาะในมือถือนีเดี๋ยวนี้เราสามารถฟังธรรมได้แต่ถึงถึงแม้ว่าเราจะสามารถเข้าถึง การฟังธรรมได้อย่างง่ายดายเวลาโอกาสมันก็ไม่อำนวยก็เหมือนกันเพราะเวลาส่วนใหญ่ของพวกเราก็ต้องหมดไปกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องนอกนั้นก็ต้องเอาเวลาไปเลี้ยงกิเลสตัณหาความอยากกิเลสก็อยากจะเที่ยวอยากดูอยากกินอยากฟังเห็นเวลาที่จะเอามาแบ่งให้ฟังเทศสังธรรมนี้แทบจะหาไม่ได้กันเลยใครที่หาเวลามาฟังธรรมได้นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่เก่ง คนที่สามารถหาสิ่งที่หาไม่ได้หายากอย่างเช่นญาติโยมบางกลุ่มนี่เขาต้องกําหนดตารางเลยว่าอย่างน้อยเดือนหนึ่งต้องมาฟังเทศที่นี่สักครั้งหนึ่งถ้าไม่ทําอย่างนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องเอื่นมาดึงไปแต่ถ้ามาตั้งอธิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าอเดือนหนึ่งจะต้องมาฟังเทศฟังธรรมที่ไหนก็ได้ไม่ใช่หมายคที่นี่ที่เดียวจะไปฟังที่ไหนก็ได้ถ้าไม่ตั้งอธิษฐานสัจจะไว้ก่อนนี้ โอกาสเวลาที่จะไปฟังธรรมนี้มันแทบจะไม่มีเลยเพราะมันจะมีเรื่องอื่นเข้ามาอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีเรื่องอื่นมันก็มีเรื่องขี้เกียจเข้าม า, อ, าอยู่บ้านดีกว่านอนดีกว่ากินนอนดีกว่าออกไปลำบากลำบนทำไมาการการที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นของยากเหมือนกันถ้าใครสามารถเข้าถึงสี่ของสี่อย่างที่หายากได้นี้โอกาสที่จะไปถึงพระนิพพานนี้ก็ มีขึ้นมา ท, าทันทีต้องมาต้องมาพบต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาและยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายและมีเวลามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมพอได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้รู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุนักผลนิพพานแล้วพอนำมาไปปฏิบัติปั๊บเดียวเดี๋ยวก็บรรลุได้ทันทีเหมือนกับพระโพธิรัต์ เาไปศึกษากับสัมมเนรศึกษากับธรรมะแหล่งธรรมะที่แท้จริงเขาก็เอาธรรมะที่แท้จริงมาสอนเลยสอนแป๊บเดียวก็บรรลุเป็นผ้าอาหารหันได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ดังนั้นในช่วงที่ท่านมีเวลาว่างอยู่นี้อย่าเอาไปใช้ทําอย่างอื่นเลยเอามาใช้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลผนิพพานเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดดีกว่า เพราะโอกาสอย่างนี้นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะที่ได้มีมีสิ่งที่หายากทั้งสี่ประการนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคามากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาในโลกนี้เพราะเพชรนินจินดาหรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองในโลกนี้เราให้มีกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถพาเราไปนิพพานได้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวนว่าตายเกิดได้ แต่สิ่งที่หายากสี่ประการนี้หละจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถปฏิบัติทมให้หลุดพ้นจากกองทุกได้ให้บรรลุถึงพระนิพพานได้จึงอย่าปล่อยเวลามีค่านี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวะหาปุระปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตชินนังเปตานางอุปกปติอิชิต an ัปฏิตัตุมห um ังคิปเปเมวะสมิจัตโสัพเพปุเรนตุสังกปา จันททปนะระโสยธาเมนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภะอภิวาธนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรมมวัฏานติ อายุวันโอสุขังภาลาัุลำดับต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวอย่าถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วเพราะจะไม่สะดวกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่เจ้าค่ะทาง Facebook ้าร้อยเจ็ดสิบห i t h you สอง i n e 11, c l u วิ o u s ออ3นไลน์สิบอยี่สิบสารับฟังนาคุติห้าสิบแปดรวมทั้งสิ้นแปดร้อยเจ็สิบเจ็ดท่านเจ้าค่ะวันนี้ทางบ้านเยอะนะเจ็ดร้อยกว่าอ่า ม, มีคำถามก็เชิญถามได้เลย คำถามฝากถามหนะ้ากุฏิเจ้าค่ะถ้าฟังธรรมเปิดเทปไปเรื่อยๆแล้วหลับไปจะบาปไหมคะไม่บาปแต่ไม่ได้บุญนะบุญที่เกิดจากการฟังธรรมก็หมดไปฟังธรรมจะได้บุญก็ต้องฟังแล้วรู้เรื่องฟังไม่หลับแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นก็เหมือนกันแสดงว่าไม่ฟังแล้วไม่เข้าใจการเป้าหมายของการฟังธรรมก็ให้เกิดความเข้าใจเป็นหลักแล้วเป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ <Okay. S 2> ครับขอขอพสธีการพระอาจารย์ขอโอกาสถามครับก็เวลานั่งสมาธิครับแล้วบางทีนั่งแล้วมันสงบแล้วมันกายดับเราหมาใจดับครับบางทีมันก็เห็นเป็นแสงขาวบางทีก็เป็นดวงแก้วสว่างสวยัยบางทีก็ไม่มีเลยครับแบบว่างเปล่าไปหมดอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าแบบไหนมันถูกครับแล้วแต่มันอันนี้เราไปบังคับมันไม่ได้แต่ถึงที่ถูกก็คือให้มันนิ่ง มันว่างเปล่ามันจะมีแสงบ้างก็ได้ไม่ไม่มีก็ได้ครับเป้าหมายก็คือให้มันนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาแต่ ว, ว่ารู้แล้วมีความสุขมากมีความสุขรู้สึก ส, สบายอกสบายใจครับทั้งสามแบบเหมือนกันหมดแต่ว่าบางทีมันเป็นมันก็มีแก้วแบบคล่อสวัยเลยอันนี้มันก็ก็ไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดหรอกไม่เป็นไรเพีได้รู้ว่ามันเป็นอ น, นัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ไม่ใช่ทุกครั้งจะต้องให้มันเป็นอย่างนี้เสมอไป แ น, น่แน่นอนอา น, นิจจังครับสําคัญคือความสงบกุเบกคาโอุเบข า, บาสงบใจเฉยป ร, ราศจากอารมณรักชังกลัวหลงอะไรนั่นะครับครับถ้ายังไปไม่ถึงนั่นก็ต้องเจริญสติต่อไปดูลมได้ก็ดูลมไปพุดโทได้ก็พูดโธต่อ เวลาเป็นพระบวชเป็นพระเนี่ยมันมันเข้าถึงอารมณ์นั้นได้ได้ง่ายครับแต่พอเป็นคาราวานี่นานๆทีกับหลายๆเดือนจะเข้าได้ครั้งหนึ่งก็เสียงแหวแล้วมันไม่เหมือนกันเนนป็นพระปติวิเวกไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจเจริญสติได้ง่ายตลอดเวลาพอาไปเป็นคาราวา์ก็มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาขัดขวางอยู่ทําให้เจริญสติไม่ได้อย่างต่อนเนื่องก็เข้ายากกว่าพขาึงไปบวชกันไงครับนที่ต้องการสมาธิเขาจึงไปบวชกัน อาจารย์ครับาจารครับเขาพอผมนั่งสมาธิแรกครับก่อนจะเข้าสมาธิได้มันมันจะเกิดสุขแบบสุขมากแบบแต่ว่าไม่เคยมีสุขใดในโลกเท่าครับแต่พอเรานั่งไปบ่อยๆเนี่ยมันข้ามสุขไปเลยมันมาสงบเลยอย่างเงี้ยครับอ่ามันชินแล้วไงมันชินแล้วอ๋อไม่ไม่ต้องมีสุขก็ได้ไม่ต้องมีสุกนะมันบางทีจังหนึ่งก็เข้าไปสี่เลย รถใหม่ๆเมื่อวันหนึ่งสองเป็นข้างๆไปก่อนแต่อยากได้สุขเหมือนเดิมมันมันความอุเบกามันดีกว่าสุกนะครับเพราะสุกมันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวในอุเบกานนี่มันจะถาวรต่อไปมันจะเป็นตัวที่รักษาใจให้เราไม่ทุกข์ได้ไม่ต้องไปกังวลการเริ่มสุขกังวลเรื่องอุเบกาดีกว่าเอาอุเบกาดีกว่า ปิติสุขมันผุดอยแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอ๋อหมายความว่าเราก็ข้ามไปได้เลยไม่ต้องไปได<ป>้บางทีก็<ป>นบางทีบริการพุโทโธพุโทโธก็ตกหลุมลงบ่อไปเลยจากขั้นที่หนึ่งลงไปสู่ขั้นที่สี่เลยไม่มีปิติไม่มีสุขไม่มีอะไรนะแล้ว บางที่เรานั่งแล้วมันเหมือนเหมือนเหมือนจิตมันรวมแล้วมันมันแบบเหมือนเราทะลุเข็มไปครับไปอยู่อีกมิติหนึงเลยเงี้ยครับอนนี้มันมันเหมือนเราออกนอกกายแล้ครับใช่ก็เวลาภาวนาเราดึงจิตให้ออกจากนอกกายไม่ให้รับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกเลี้ยกายดึงจิตเข้าไปอยู่ในโลกทิพย์อันนี้จิตมันออกมาอยู่ในโลกธาตุด้วยกระแสของวิญญาณเข้ามาเกาะที่ตาหูจมูกเลี้ยงกาย เวลาเราพุโทโธพุโทโธแล้ดูลมนี่เราหยุดกระแสของวิญญาณที่จะไปรับรูปศสีล ก, กิ่นรสเข้ามาครับในมิตินะ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันมีความว่างมันไม่มีความคิดไม่มีตุไม่มีการไม่มีอะไรทั้อย่างเลยคนระับนิ่งเรียกว่าพมโลกอพอมรโลกจะเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่เป็นนิพพานว่ามันเป็นชั่วคราวครับเดี๋ยวหมดกําลังสติมันก็ถอนออกมาแต่ถ้าเป็นนิพพานมันก็จะอยู่แบบนั้นนิ่งไปตลอด อาจารย์เมื่อกี้พระอาจารย์เทศเรื่องพระพุทธเจ้าว่ะที่ว่าเร า, เราโชคดีได้เกิดมาในยุค พ, พุทธเจ้าครับที่สามารถที่เราสามารถหลุดพ้นได้ครับแต่ว่าใจอย่างอย่างผมเนี่ยยังปรารถนาอยากเป็นพุทธเจ้านะครับมันมันเป็นวิจัาได้ผีไหมฮะก็มันเป็นความโลภอ่ะคือมันยังเข้าใจผิดว่าเป็นพระุทธเจ้าดีกว่าเป็นพระสาวกความจริงเท่ากันโถแล้วแต่ได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันได้รางวัลเท่ากันหมดครับเพียงแต่ว่าเราคิดว่าเราต้องแทงเอง แต่ถ้าเป็นสาวกนี่มีคนมาบอกเบอร์ให้ครับแต่ก็ได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันจริงยังไงจะไปหาเบอร์เองเหรอหรือจะให้คนอื่นเขาบอกเบอร์ให้วันนี้จะออกอะไรนี่จะทำอันไหนดีกว่าครับจริงๆคือพวกเราหลุดพ้นมันก็เหมือนกันทุกอย่างไม่แ<ร>น่รางวัลเท่ากันนับผลพิพา น, นเท่ากันหมดทุกอย่างครับต่างกันที่ว่าจะหาทางไปเองหรือว่าจะให้คนบอกทางไป ค, คนบอกทางมันง่ายกว่าใช่มมีคนบอกทางมันปั๊บเดียวว่าถึงนสาวกในฟังทรรหมนเดียวก็บรรูุได้ถ้ามีพระพุทธเจ้าก็่ายเองก็กกกรู้กี่กลับกี่การกว่าจะได้ผมกลัวว่าบางทีเป็นมิจฉาทิสติเพราะว่าทำให้เราแบบไม่อยากไปชาตนี้แล้วทาให้เราแบบเราก็ต้องตัด <บน S 2> ตั <ไป S 2> ด, ดตัดตัดตัดตัััดมีความตัดอย่างดตัตัตตัดตัดตัดตัดตัดตัดาันี้เรามีัดตพดตัดตัดตัาตัดตัดตัดตัดตัดตาดาัดตัดตัดตัดตัดตัดัั นี่ไปปฏิบัติใช่ไหมไปภาวนากิเลสมันจะหล่ให้เราไม่ไปภาวนามันก็อ้างพุทธภูมิให้เราไปทําบุญทําทานแทนไปทาเมตตาสร้างความเมตตาเป็นโพธิสัตว์ไปอีกไม่รู้กี่กัปเราทาทานอย่างเดียวไม่มีวันถึงพระนิพพานได้ครับแต่ตอนนี้เราเราข้ามทานไปได้แนละ้วเพราะเรามีคนสอนภาวนาครับเราไปภาวนาเลยดีกว่าไปเปรตวิเวกไปบวช ดีไม่ดีไม่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็บรรลุได้แต่ถ้าทําไปเรื่อยมันก็มันก็ถึงเหมือนกันแต่มันนานหน่อยใช่ไหมฮะทำเองเหรอนานแต่นานแบบหลายแสนล้านปีอะไรอย่างนั้นก็ได้ครับอีกบรรลุจักรมาเกิดแก่เจ็บตายกี่รอบ ก, ก็ไม่รู้ครับหลว <คง S 2> ปู่ม่านก็เป็นอย่างนั้นท่านก็เมตตาท่านยะเลยเมตตาท่านไม่ไปปฏิบัติคอยสอนลูกศิษย์ลูกหาพาปฏิบัติ การสร้างในที่สุดแท่งก็ต้องหนีไปอยู่เชียงใหม่อมเดียวอายุหกสิบขึ้นมาแล้วอุตสาห์เป็นพระโพธิสัตว์ช่วยคนหนุมาต้องหกสิบปีแต่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยไม่ก้าวหน้าเลยพอไปเปรียบเวกสิบปีไม่รู้กี่ไม่ถึงสิบปีไปอยู่เชียงใหม่กามลำพั ง, งก็บรรลุเป็นพระหลานได้ คำพจนิสัยคำว่าปรัชนาพุทธภูมิเนี่ยมันทำให้แบบว่าผมปฏิบัติสมาธิเนี่ไม่เคยแบบไปวิวัฒนาไปแบบพิจารณากายเลยครับอ่อา<บ>พุทธภูมิมันจะให้เจริญให้ให้เจริญเมตตาเป็นหลักครับใครเดือดรอใครเดือดเดือดร้อนใครต้องการความช่วยเหลือนี่จะต้องถือมาก่อนมาก่อนการกระทาอย่างอื่นของตนเองต้องหลักเสียสละให้เต็มที่ พ, พระุทธศัพท์แบบพระพระเวชสันดรนี่นั่นก็เป็นโพุทธศัตว์ ท่านก็ทําบุญทำทานอย่างสุดโตงเลยท่านก็เลยไม่มีเวลาไปภาวนาแต่ชาติสุดท้ายนี่ท่านเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตนถะท่านมีเวลาไปภาวนาท่านสละทรัพย์สมบัติเหมืนอนทองไม่ห่วงใครไม่ช่วยใครนะลองเห็นทุก ท, ท, ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบ่วงไม่หมดลูกก็ลูกคลอดออกมาก็รู้เป็นบ่วงนะถ้าอยู่เดี๋ยวก็ติดไปไม่ได้เงรับนทะ่านก็เลยต้องตัดก่อนนะ โอเคนะแล้วมาช่วยคนอื่นที่หลังดีกว่าช่วยได้มากกว่าด้วยหลังจากหกปีนั่นึองหลังจากตัดเซลลูล่าที่นี่มาช่วยคนเป็นพ่อหลังได้เป็นเป็นแสนเป็นล้านแล้วครับหลว ง, งปู่ม่านหลวงตามหาบัวหลวงปู่สิงนหน์ธนารรมโอท่านก็เป็นพระพระโพธิสัตว์มาก่อนก็ไม่ทราบอ่ะท่านเป็นหรไม่เป็นแต่ได้ที่สุดท่านก็มาทางทางอลตาตมักกันอาตพุนกันนครับท่านก็ไปบวชกันครับ ส่วนใหญ่ก็มักจะมาทางคุณศิษศักด์กันก่อนเพราะเราจะถูกสอนให้แผ่เมตตาก่อนจะนั้นเมตตาก่อนเพราะการจะไปถึงการภาวนาเนี่มันยากให้ทําของง่ายก่อนแผ่เมตตาทําทางไปก่อนช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ไปก่อนแล้วมันจะกล่อมใจให้เป็นใจที่อ่อนโยนเป็นใจที่พร้อมที่จะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมได้ต่อไป เพราะร้นคือการปฏิบัตินี่คือก็ต้องเข้าถุงอุเบกขาให้ได้ไหวใช่ต้องเอาอุเบกขานี่เป็นตัวหลักของของการต่อสู้กับกิเลสครับถ้ามีอุเบกขากิเลสนี่ยสู้สู้กับมันได้อย่างสบายแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวผมวายว่าต้องเข้าได้ทุกขนาดจิตเลยป่ะครับภาจารก็ต้องเข้าเวลาออกมาถ้ามันหมวดก็ต้องกลับเข้าไปเติมอยู่เรื่อยๆอ๋อคือมันก็เจอจางเป็นธรรมธรรมชา ต, ติเวลาออกมามันก็จะค่อยจางไป จะรักษาได้ก็สองวิธีรักษาด้วยสติพุโทโธพุโทโธต่อไปหรือจเจริญปัญญาพิจารณาเวลาเกิดความอยากต้องตัดด้วยปัญญาอุเบกขาก็จะคงอยู่ต่อไปนะแต่เป็นคารวะนี่กว่าจะเข้าได้หลายครั้งนี้เป็นหลายเดือนเลยนะครับนั่นแหละใช้แต่พระเองก็หนูตาทัานบอกตอนที่ท่านยังไม่ได้ปฏิบัติท่านเีนหนังสือท่านเคยเข้าได้สามครั้งมันเอง ขณเป็นพระแต่ไปเรียนหนังสือเรียนปริยัตเรียนปรีนเรียนสามเนี่ยสมัยนั้นเคยได้เข้าถึงอั ป, ปนาเพียงสามครั้งเท่นั้นแต่พอมาปฏิบัตินี้เข้าได้เกือบทุกคืนนะก็ต้อ ง, ต, องต้องมีบรรยากาศที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติไม่มีอะไรมาวุ่นวายใจไม่มาให้ใจต้องคิดเรียนหนังสือไม่ต้องคิดต้องจดต้องจําใช้ต้องใช้สังขารสัญญาทํางาน พอปฏิบัติ variance, erman, Depois, size, size, capacity, ีีพ okay. okay. ุทโธโลกเดียวตัดหมดทุกอย่างแล้วจิตก็สงบจิตก็หลมได้โอเคนะให้ก่อนเดมทางกอไบ ค่าพระอาจารย์คะหนูอยากสอบถามว่าการที่เราจะพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายอะคะ่ะเราจําเป็นต้องจะไปถึงชั้นสีก่อนนะคะแล้วภาพเหล่านั้นจะขึ้นมาในสมาธิตอนชั้นสีะะ่ะค่ะอ๋อไม่ต้องหรอกเพียงแต่ให้เราจดจําให้ได้ว่าร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นการที่เรานึกขึ้นมาเป็นภาพใช่ไหมคะมโนเป็นภาพเป็นภาพก็ได้ไม่เป็นภาพก็ได้เหมือนกับนึกถึงเงินต้องเป็นภาพอ่ะ ใช่ไหมขอยรู้ว่านึกถึงแฟนนี่มีบางทีเห็นหน้าแฟนเราไม่เป็นภาคใช่ไหมแต่รู้ว่านึกถึงใครแล้วเกิดอารมณ์ตามมาทันทีใช่ไหมนึกถึงมันก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งนึกถึงแฟนก็มีอารมณ์อย่างก็คือให้คิดว่ามันไม่เที่ยงอะไรใช่ไม่เทียงนึกถึงร่างกายแล้วนึกถึงว่าต่อไปมันก็ร่างกายเป็นซากศพพูดง่ายๆมันต้องตายมันต้องแก่มันต้องเจ็บไม่ให้ลืมไม่ต้องมีฌานหรอกที่ให้มีฌานเพื่อจะได้ตัดมันได้ ตอนต้นต้องท่องไม่ให้ลืมก่อนแล้วไม่ลืมนะแต่เวลาเมไม่มีฌานมันก็ยังทุกข์อยู่เพราะมันยังอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่แต่พอมีฌานปั๊บมันก็จะบอกว่าอยากไม่ได้นะอยากแล้วมันจะทุกข์นะมันก็มีฌานก็หยุดความอยากนะ<ฆ>ต้องมี<ฆ>ทั้งสองอยา่าง <ฆ S 1> แต่เวลาจเจริญปัญญานี้ไม่ต้องไปทําพร้อมกับฌานต้องทำเป็นคนละตอนกั น, ไ, นไม่ทําตอนเดียวกันเวลาทําฌานเข้าฌานไม่ทําปัญญา ไปเล่าออจากชานแล้ว่อยมาทำปัญญาคอยสอนใจคอยตื่นใจให้ปร่งให้ได้ให้ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายให้ได้ขอบคุณค่ะอาจารย์ฝ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ากถามน้ากุติเจ้าค่ะระหว่างเดินจงกรมเกิดภาพขึ้นมาในหัวเป็นภาพสดที่น่าสลดสังเวชแบบนี้หมายความว่าอย่างไรและควรพิจารณาอย่างไรต่อครับก็หมายความว่าจิตมันมัน มันแสดงอะไรของมันขึ้นมาก็ให้รับรู้ไว้เลถ้าเอามาใช้ในไตรักษ์ได้ก็เอามาจดจำไว้เช่นเห็นภาพเราตายเห็นภาพเรานอนตายก็ว่าเอออันนี้เป็นความจริงดีมันจะได้คอยเตือนใจแล้วว่าอย่าประมาทนะปายแน่ๆอย่างนี้ก็ก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีเป็นภาพที่เอามาใช้เป็นวิ ป, ปัสสนาได้ แต่ถ้าเป็นภาพร่ำรวยสวยงามนี่นก็รีบตัดทิ้งไปนะเพราะว่ามันเป็นภาพปลอมมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะมันสวยงามร่ำรวยมันก็สวยงามร่ำรวยได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปฝากถามน้ากุฏิท่านค่ะอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้และไม่มีทางรักษาได้อยากได้ทางแก้ไข ก็มีหลายสาเหตุด้วยกันหนึ่งคือหมอยังเก็กไม่พอความรู้ทางแพทย์ยังไม่รู้ไม่ถึงโรคภัยชนินี้อย่างตอนที่ไอโควิดออกมาใหม่ๆก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนเป็นยังไงก็ต้องใช้เวลาศึกษาไปพเพราะโรคเหล่านี้มันมีโรคใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆแพทย์ก็เลยต้องเรียนกันใหม่ๆอยู่เรื่อยๆท่านพระมหาสมชาติคําถามครับเรามีวิธีระงับความโกรธได้อย่างไร ก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้สติเวลาโกรธก็ที่ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนเรื่องที่ทำให้เราโกรธแล้วความโกรธก็พอมันลืมเรื่องไปความโกรธก็หายไปหรือขั้นที่สองขั้นปัญญาค่อรรยพิจารณาว่าเราไปห้ามเขาบังคับเขาท้าให้เขาทําอะไรตามที่เราต้องการไม่ได้เขาทําอะไรแล้วทําให้เราโกรธเราก็ต้องยอมรับ<ะ><ะ>เป็นเรื่องของเขา แล้วถ้าเราไม่ไปหวังไปอยากให้เขาไม่ทําเราก็จะไม่โกรธเขาที่เราโกรธเขาก็เราไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่ทําตามที่เราอยากแล้วเราก็จะโกรธเขาขึ้นมานเร่งเรียองก็ปัญญาต้องพิจารณาขอให้เห็นว่าเป็นอนิจจงอนัตตาควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันข้าย้นนี้ดีพูดหวานเจี๊ยบพรุ่งนี้ไม่ดีก็ด่าอมาไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ ฉันอะไปหวังอะไรจากเขาแล้วก็จะไม่โกรธเขาคุณพานุรัตกลับในมัสการหลวงพ่อครับกลับเรียนถามหลวงพ่อผมภาวนาเสร็จแล้วผมแผ่ส่วนกุศลไปให้พระพุทธเจ้าและหลวงพ่อผมที่ละท่านละสังขารไปแล้วทำแบบนี้จะถูกต้องไหมครับ กลับขอบพระคุณครับเราไล่ไปแผ่ให้พระพุทธเจ้าเอาเงินไปให้เศรษฐีเราเป็นขอทานเราวปเอเงินไปให้เศรษฐีเก็บไว้กินเองเถอะก็บไว้ใช้เองเถอิะเรายังมีไม่พอที่จะไปแผ่ให้ใครเราพยายามสะสมมาเยอะๆแผ่หมดยังไรก็แผ่หมดย่างเงินมาได้สำเนียงก็จะไปแผ่ให้คนนั้นแผ่ให้คนนี้ คุณวุฒิชัยพ่อแม่ขัดขวางไม่อยากให้ลูกบวชควรทําอย่างไรเพื่อให้ท่านเข้าใจครับในสาลผู้จัดการก็มีเรื่องอย่างนี้ลูกอยากจะบวชพ่อแม่ไม่ให้บวชเพราะเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ก็ร่ํารวยเป็นเศรษฐีถ้าลูกบวชแล้วเดี๋ยวไม่มีใครร่ำรวยระดกแต่ลูกมันอยากจะบวชก็เลยอดข้าวไม่กินข้าวถ้าไม่ให้บวชก็จะไม่กินข้าวยอมตายพอเป็นหลายๆวันเข้าพ่อแม่ก็เลยยอมแพ้พึ่งอยากจะบวชก็บวช คุณพรชัยกราบนมัส ก, การพระเดชพระคุณพระอาจารย์สุชาติที่เคารพยิ่งกระผมพรชัยบัวทองใครขอความรู้จากพระคุณท่านครับเนื่องด้วยการปฏิบัติในการภาวนาทางจิตใจมีความวุ่นวายเกิดขึ้นคือมีมคำภาวนาสองแบบคือพุทโธกับ ยุบหนอพองหนอกระผมจึงอยากให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาช่วยให้ความรู้ว่ากระผมควรใช้แบบไหนดีครับที่เหมาะแ ก, ะก่กระผมกระผมอยู่ตรงังจึงไม่ได้ไปกราบถึงที่หากเป็นการรบกวนกระผมขอคมาในก็ต้องทดลองเหมือนมีกว๋วยเตี๋ยวข้าวผันนยลองกินดูติดกว๋วยเตี๋ยวก่อนดูว่ามันเป็นยังไง แล้วก็ลองมากินข้าวผัดดีที่ดูอันไหนให้ผลดีกว่ากันกินแล้วมีความสุขมากกว่ากันก็เอาอันนั้นก็แล้วกันถ้ากินข้าวผัดอร่อยกว่ามีความสุขมากกว่ากิกนวิเต๋วก็กินข้าวผัดอันนี้ก็เหมือนกันเป็นวิธีทําใจให้สงบมันก็มีหลายวิธีด้วยกันยุบหนอพองหนอก็วิธีนึ่งพุทโธก็วิธีนึงก็ลองได้เนี่ยผัดกันวันนี้ลองพุทโธพรุ่งนี้ลองยุบหนอพองหนอไม่เสียหายเลย คุณไบรท์ถ้าชีวิตเราถูกลิขิตมาแล้วว่าต้องเกิดอีกกี่ภพชาติแต่เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเราจะสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตนั้นได้หรือไม่คะได้มันไม่ได้ถูกลิขิตว่ากี่โชคกี่ชาติหรอกมันอยู่ที่มันลิขิตเพียงแต่ชาตินี้เท่านั้นแล้วถ้าชาตินี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเหตุที่ทําให้เรามาเกิดได้มันก็ไม่เกิดได้มันไม่เรื่องเป็นเรื่องของลิขิตมันเป็นเรื่องของเหตุของผลเหตุที่ทําให้เราเกิดก็คือกิเลสตัณหาของเรา ถ้าเรายังไม่ทำน้ากิเลสตัณหามันก็จะเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอเราตัดกิเลสตัณหาได้เมื่อไหร่การเกิดมันก็จะสิ้นสุดลงทันทีเหมือโนโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีเชื้อโรคเนถ้าเราไม่กํจาจัดเชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเป็นเพนก็จะเจ็บไปจนมันตายแต่ถ้าเรามียามา ร, รักษากินทําลายเชื้อโรคนี้ได้มันก็หายได้ ท, ทันทีมันไม่ได้เป็นเรื่องของลทธิ์จิตชะตากรรมเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเหตุก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ที่พาให้เรามาเกิดกันแล้วถ้าต้องการจะหยุดการเกิดก็ไปกําจาัดกิเลสตนาด้วยการปฏิบัติธรรมนี้คุณวอบีทีพระอาจารย์ครับจิตอาศัยวิญญาณเชื่อมต่อกับร่างกายจึงจะรับรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ถ้าหากร่างกายนี้หายไปจิตจะสามารถรับรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ไหมครับสิ่งที่รับรู้นั้นเป็นเรื่องจริงหรือปรุงแต่งไปเองครับก็เป็นสองอย่างเวลานอนหลับนี่บางทีก็ สามารถติดต่อกายทิพย์ได้หรือว่าเวลานอนหลับฝันไปว่าฝันไปสวรรค์ฝันไปนรกอันนั้นก็เป็นเรื่องปรุงแต่งของจิตไปมันเป็นได้ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับจิตมีพลังที่จะไปสัมผัสกับของจริงได้หรือไม่หรือพวกกายทิพย์ต่างๆคุณออฟฟ์โซซาซาพระอาจารย์เจ้าคะการที่เราเลี้ยงลูกหมาลูกแมวเพื่อขายจะบาปไหมคะเพราะพาคลูกจากแม่หมาแม่แมวเจ้าคะ าไม่บแบบเราเพราะธรรมชาติของสัตว์มันพอมันพอลูกมันโตมันก็ทิ้งกันแล้วมันก็ไปคนละทางอยู่แล้ว คุณมยุรีนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะกลับเรียนถามว่าหลังจากนั่งสงบจนจิตสงบนิ่งได้สักพักแล้วจิตถอนออกมาทางด้านปัญญาจิตจะ พ, พิจารณามรณ า, านุสติเสมอเป็นเรื่องเป็นราวอยากพิจารณาอสุภะแต่ไม่มีกําลังจะพิจารณาขอความการุณาพระอาจารย์แนะนําด้วยค่ะเพราะจิตสงบนานไม่พอเนีเพราะจิตสงบปั๊บก็ไปดึงมาพิจารณามันก็ไม่มีกําลังต้องให้มันสงบนานๆก่อน มันนิ่งสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก่อนแล้วเวลาออกจากสมาธิมาค่อยพิจารณาทางปัญญาต่อไปมันก็จะพิจารณาได้ทุกอย่างแต่พิจารณาสุภะก็มีกําลังพิจารณาพิจารณาหลายก็ได้ถ้ามีอุเบกขานานๆมากๆอยู่ ใ, ใจคุณจันจิรากราบนามัสการพระอาจารย์และขอโอกาสถามคําถามเจ้าค่ะการรักษาศีลถ้าไม่ได้ประวัณาศีลจะถือว่าเป็นการรักษาศีลหรือไม่ ศีลไม่ได้อยู่ที่สมาทานเดี๋ยวคว่าปวานานี้ไม่ใช่ใช้ผิดคำนะระปวานานี้เป็นการแถลตัวให้กับผู้อื่ว่าถ้าท่านต้องการอะไรบอกผมผมจะรับใช้ยินดีรับใช้ท่านานี่เรียกว่าปวานาน แต่สมาทานแปลว่าการบอกกล่าวว่าต่อไปนี้เราจะรักษาศี่งห้าบอกกล่ากวกับพระในสมาทานศี่กับพะระก็บอกว่าครับหนูจะรักษาศีลงไม่ผมจะรักษาศีา่งห้าอันนี้จะบอกไม่บอกก็ได้มันไม่สําคัญมันสําคัญอยู่ที่รักษาหรือไม่รักษามากกว่าบางคนสมาทานศิ่งหาาะะ้ากับพระพอออกจากวัดไปก็ทิ้งมันที่กองขยะงานวัด น, นั่นไม่ได้ไปรักษาต่ออย่างนั้นไม่ได้อยู่ที่สมาทานหรือไม่สมาทานอยู่ที่รักษาหรือไม่รักษา งั้นถ้าเราอยากจะรักษาก็รักษาไปไม่ต้องไปสมาทานไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นให้ตั้งจิตใจตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวพออธิษฐานว่าวันนี้จะรักษาสี่ห้านะถึงเวลากี่โมงก็ว่าไปแล่อย่าไปรักษาตอนเวลาก่อนจะนอนนะวันนี้จะรักษาศี่ห้าตอนที่ข้าพเจ้าหลับพอข้าพเจ้าตื่นข้าพเจ้าก็จะไม่รักษาต่ออย่างนี้ก็เป็นแบบรักษาแบบถนนสีถนนชัย คุณภู น, นสวัสด์กราบนะมั ส, สการครับจําเป็นไหมครับที่เราต้องสวดมนต์ก่อนภาวนาจะสนับสนุนให้การภาวนาง่ายขึ้นไหมครับถ้าไม่สวดมนต์เหมือนจะเป็นการไม่เคารพพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์หรือเปล่าครับรไม่เกี่ยวกับการเคารพไม่เคารพการสวดมนต์นี่เพื่อก่อบใจให้ให้สงบเนื้อหายฟุ่งสร้างถ้าใจเรายังฟุง้งซ่านยังวุ่นอยู่กับเรื่องราวต่างๆมานั่งภาวนาไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อน ส่วนไปกล่อมใจให้ใจมันเบาความวุ่นวายใจน้อยลงไปจนสามารถมาดูลมหายใจและมาพุทธโธได้แล้วค่อยทำต่อไปคุณนรงชยัยกราบนมัสการครับ ขอกัดเรียงถามสติปัฏฐานเรื่องกายในกายเมื่อตามดูลมหายใจตามดูอเริยบทยืนเดินนั่งอันนี้พอเข้าใจครับแต่การดูสัมปชัญญะเช่นเดียวกับการดื่มเคี้ยวอาหารผมไม่เข้าใจว่าต่างจากการดูอิริยบทอย่างไรขอเมตตาพระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมครับไม่ต่างกันหรอกก็สติสัมปชัญญะไงสติก็คือการดูแต่ไม่ได้กําหนดว่าดูอย่างต่อเนื่อง แต่สัมปัชัญญานี้หมายคำว่าดูอย่างต่อเนื่องไม่ให้เผลอถ้าดูอย่างต่อเนื่องไม่เผลอก็เรียกว่าเป็นสัมปัชัญญะถ้าดูแล้วเผลอก็เรียกว่าเป็นสติพักๆไปสติขาดสติต่ออยนี้ คุณชยภ า, ากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะนั่งภาวนาอยู่แล้วรู้สึกเหมือนมือเท้าเป็นแม่เหล็กดูดกันค่ะอาการแบบนี้หนูควรทําอย่างไรต่อไปคะ อ, อ๋อไม่ต้องสนใจเป็นธรมเป็นปกติเวลานั่งสมาธิบางทีมือมือที่นั่งกอดติดกันนี่มันจะเหมือนกันบมันดูดเข้าหากันแต่เราไม่ต้องไปสนใจมันไม่ใช่เรื่องที่เราให้ความสําคัญเวลาเราภาวนาให้สําคัญอยู่กับการดูลมและอยู่กับพุโทโธ อยางออะไรจะปรากฏขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายไปเองคุณเก่งไกลอยากจะบวชพระและปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อจะต้องทํายังไงบ้างครับกระผมอยู่เชียงใหม่ถ้าบวชที่ไหนก็ได้ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ก็เพียงแต่ฟังธรรมก็ฟังอเงี้ยฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติไม่จําเป็นจะต้องมาในวัดเดียวกัน การปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติคนเดียวหาสถานที่สงบสงัดเวยแล้วก็มีธรรมะสอนวิธีปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ต้องมาอยู่วัดที่เดียวกัน คุณนรุมล น, นั่งสมาธิจนเกิดเวทนายังหนักมีสติรู้ใช้ความอดทนแต่ยิ่งหนักกว่าเดิมจนพิจารณาตามความจริงถึงใจรักร่างกายคลายออกจนเกิดความว่าง ร, รู้สึกรู้สิ่งหนึ่งในขณะนั้นแต่มีกระแสะความอยากเข้ามาจนทําให้ออกจากสมาธิจิตไม่มีรูปร่างใช่ไหมเจ้าคะจิตเป็นโทุก ร, รู้คิดไม่มีรูปร่าง เหมือนร่างกายร่างกายมีอาการถามสิบสองแต่จิตมีความเป็นความว่างที่ที่รู้ที่คิดคุณสุรศิษฐ์กับเรียนถามครับหน้าตาของพระพุทธเจ้านี้เป็นอย่างไรครับเหมือนกับรูปถ่ายหรือพระพุทธรูปที่เราเห็นกันทั่วไปกันไหมครับเราไม่ได้เกิดสบายนั่นมาถามเราได้ไง <laughs> อะไรวะ <laughs> คือเราเป็นอะไร <laughs> มันก็เหมือนกันทั้งนั้นแนหะมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันทนะั้งนั้นมีผมขนเล็บฟันหนังนเลออนกระดูกเหมือนกันรนะ่างกายของพระเจ้าของวเราก็เหมือนกันคุณสุรสิทธิ์กลับเรียนถามครับตอนที่พระอาจารย์ให้พรคนที่ฟังธรรมจะได้รับพรจริงๆไหมครับไม่หรอกพรเป็นเพียงแต่เป็นการให้กําลังใจเท่านเองเป็นการสอนความจริงถ้าเข้าใจความหมายท่านก็จะ ความหมายของการให้พรก็แบ่งไปสองส่วนส่วนแรกที่เวลาว่ า, ายาถานีเป็นการบอกวิธีอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่รว่งรับไปแล้วแล้วพอเริ่มสวนสัพพีติโยนี้เป็นการให้พรผู้ผู้มาปฏิบัติผู้ฟังแต่พรจริงๆอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองจะเจริญด้วยอายุวนะะสุขะภะระนี่ต้องเป็นผู้อ่อนน้อมทำตนเป็นผู้มีสัมมาคารวะเป็นผู้เสียสละแ่นปัน เป็นการสอนธรรมะวิธีจะได้ความสุขความเจริญว่าเป็นอย่างไรถ้าไม่ได้ให้พรพรนี้ของใครของมันให้กันไม่ได้คุณมันเดยพิจารณาอสุภะแล้วกลัวควรแก้ไขยังไงคะมันเกิดขึ้นเองบ่อยๆโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคะ่ะถ้ากลัวก็หยุดก่อนกลัมาพุโทโธพุโทโธก่อนเจนกว่าจิตจะมีกําลังสามารถที่จะพิจารณาโดยไม่รู้สึกกลัวได้ก็พิจารณาใหม่ คุณปรางษาจิตสังขารคืออะไรคะจิตแปลว่าผู้รู้สังขารแปลว่าความคิดก็ ป, าป่าได้แค่นี้นะแหละจำหมดแล้วเหร อ, อโอเคก็หมดเวลาพอดีขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธ อ, อ